ขอน้อมน้อมแด่และขอโอกาสประเทคพระพุทธเจ้า ขอเจริญพรสาธุชนผู้ นิสสาสัตชนทั้งหลายพร้อมด้วยพ่อแม่ครู มันก็มีพอสมควรแล้ว ท่านได้เดินทางออกจากวัดหนองทัพพงค์ อาตมาก็ไม่คิดเลยว่าและน่าเคารพน่าศรัทธาตามอย่างที่พระ ได้ถามท่านว่าถามต่อไปใครจะเป็นผู้หลวงปู่ต่อไปใครจะเป็น ท่านพระอาจารย์เลี่ยมการปารภในว่า พระองค์ท่านเป็นอย่างไรบ้างทีนี้อาตมา ผู้วางรากฐานอัตมาภูมิใจรากฐานอัตมาภูมิใจ มีความกระตือรือร้นมีทัศนะวิสัยที่กว้างไกลเราจะดูนักปฏิบัติก็ดูไม่ยากดู พิจารณาการกระทําของท่านไม่ว่าจะ คนคนนั้นก็ต้องตื่นตัวและปฏิบัติตัวอยู่ตลอดเวลา จะต้องเพื่อเป็นรายได้เสริมอะไรก็มีอะไรสลับซับซ้อนกันไป จะทำตัวอย่างไรลูกเราจะตื่น จะไม่รู้จักความเพียงพอมีเงินทองใช้พ่อที่ดีรู้ลูก สอนลูกไม่ใช่สอนแค่อย่างนั้นสอนแม่กระทั่งว่าไปวัดสิลูกไป ดินแดนแห่งความเคารพดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ครุ จงอัตมาว่ามีคงไม่เกินห้าครอบครัวประพฤติปฏิบัติได้ จากโคทินจากที่ไม่มีอะไรจากต้นสองตัวใหญ่เลย ล้วนเป็นหนทางขึ้นไปหินประยุกต์พัฒนาจาก จากก้อนนี้ธรรมดาสามารถประดับตก ท่านมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาการประโยชน์ของประโยชน์ศูนย์ ให้กับคนอื่นบ้างการพัฒนา เราพิจารณาไตร่ตรองดูลึกๆหรือเรามา ก็อยู่แต่งโมก็หวานบ้านกับข้าวไม่ ท่านจากสิ่งที่ไม่มีอะไรมนต์ไหว้พระจากสิ่งแต่ท่านไม่มี ผ่านไปผ่านไปเสียทีท่านมีความพองใหญ่ในตัวเรา แล้วเพื่อนขนาดท่านไม่สบายของท่านที่น่านับ เราสำรวจตูดัวอาดูตัวเรา เมื่อคืนก็หัวใจแก่นแท้เลยคืนแต่เราพร้อมที่จะเข้าใจหรืออย่างเราได้หรืออย่างใจแก่น พุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่าน เราเคยเห็นธรรมอาที่มหาวิทยาลัยๆที่สอนวิชาพ้น ฆ่าเรียนมามากศพด้วยเรียนมามากแต่ก็ยัง น่าเป็นห่วงและบุคลากรที่จะสอน เยาวชนเยาวชนน่าเป็นห่วงมากทางรัฐบาลศึกษาต่างๆน่าเป็นห่วง พุทธศาสนานี้ให้สามารถๆในๆประพฤติปฏิบัติจริงๆ กักเกณฑ์เข้าไปร่วมประพฤติปฏิบัติที่สํานักของอาจารย์คาวเวสโกที่กาญจนบุรีหน่วย เคยสบายไม่สบายสบายไม่สบายท่านอาจารย์คาวิสโกทําหน้าที่เป็นบุคลากร คนจังหวัดอุบลราชธานีแต่คนแถวนี้ก็อาจจะมีรู้ก็มีท่านอาจารย์คาวิชโกะ ตั้งแต่รู้และจำความได้ๆไม่ใช่ว่าจะอ้อนเราแม่ซื้อรถให้ผมหน่อยซื้อพ่อของท่านแม่ แปลกที่สุดในโลกเลยไม่ ท่านสึกษาเกี่ยวกับด้านโยคีว่าทําไมเก่งเล่นทําเครื่องประดับ เดินทางขึ้นบนภูเขาหิมาลัยด้วยเท้า อันเจริญฝั่งบางผู้ที่เก่งฌานนี่จะเหนือเวทนาคือทั้งตะปูหรือมีความเจ็บ อ่าผู้ที่เก่งอย่างนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นชาติโลกีย์ ปฏิบัติที่นั้นปีหนึ่งแล้วต่อจากนั้นท่านก็ได้ยินกล่าวว่าท่านอาจารย์ชาว่า ความศรัทธาความเลื่อมใสความชุ่มช่ําใจก็ แล้วมาบวชยังไงผมไปศึกษาที่ประเทศ แล้วชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรนะสีบหาชิชื่ออะไรนะสีบหาชิโอ้ชื่อเรียกๆน่ะเหรอหลวงๆตั้งใจๆก็เปลี่ยนชื่อ หลวงปูชาก็เลยบอกว่าภาษีบาท 50 เวลาๆเน้น ท่านเข้าใจในทุกข์แล้วท่านก็เดินเข้าหาทุกข์อย่างสง่าผ่าเผยเดินเข้าหาทุกข์ยังไงๆน่ะเราบอก ความพอใจและความไม่พอใจเราตัดออกสิได้เราตัดได้มั้ย เหมือนติดดีทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านน่ะติดดีอย่า ลูกบอกก็บ่ได้พอติน่ะนี่แล้วติ กูเป็นแม่มึงก็บ่เบิ่งแม่มึงเนาะว่าแม่มึงมากๆหน้าแดงนะกูไปปฏิบัติธรรมมึงก็บ่ไปซ่องเบิ่งกูอันใดเสียๆมึงก็บ่ไปทานน้ำเพิ่นเนาะ นั่นล่ะเว้าพื้นลูกเขยเว้าพื้น